ตัวในครั้งหนึ่งว่าสมาธิในที่นี้เน้นเอกคตาที่เกิดพร้อมกับกุศลจิตเรียกว่าตัวสมาธิเนี่ยนะถามว่าสมาธินี่เพราะอัตถาว่าอะไรพ่ออัตถาว่าตั้งมั่นคือสมาทานังศีนก็สมาทานังใช่ไหมแล้วสมาธิก็สมาทานังอีกและต่างกันยังไงต่างว่าศีนสมาทานังคือตั้งมั่นไม่เกลื่อนกลลกระจัดกระจายทางกายวาจา ส่วนสมาธิเนี่ยก็ตั้งมั่นเพราะจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายไม่ใช่นั่งอยู่ที่เดียวเนี่ยนะคิดได้ห้าเรื่องนะดีไหมเขาคิดได้ตังเยอะเลยดีไหมไม่ดีนะอ่านพระไตรปิฎกอยู่เล่มเดียวเนี่ยนะคิดได้ต้องมารู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคําสอนอันนี้ไม่ดีนะเพราะนี้หมายถึงจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายโดยเฉพาะถ้า ใครที่เรียกว่าอ่านพระสูตรแล้วพระสูตรเล่าแล้วจิตเป็นไปกับคําสอนได้ยาวไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกได้เลยเนี่ยนะพิจารณาธรรมะได้ยาวขนาดนั้นเอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากนะนะสมาธิดีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมีหลายหลายท่านด้วยกันเนี่ยอย่างแม่ของพระโสนะกุติกันนะเนี่ยท่านฟังธรรมกับทั้งคืนเนะ่ะขณะที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยนะจิตก็เป็นไปกับพระธรรมติดตามพระธรรมไปตลอด ทีนี้ที่บ้านเนี่ยโจรเขาเข้าบ้านปล้นคนใช้ก็มาบอกว่าคุณนายโจรเข้าบ้านแล้วก็บอกเออเข้าไปแล้วก็ไล่ให้กลับไปแล้วก็ครั้งที่สองก็มาบอกอีกก็บอกว่าตอนนี้เข้าถึงบกประตูเงินประตูทองแล้วนะก็บอกเออเข้าไปครั้งที่สามบอกไม่ถ้ามาอีกนะกลับไปเจอดีแน่ <c oughs> <c oughs> บอกมันจะปล้นจะเอาอะไรไปก็ช่างเถิดจะฟังคำแล้หมัน <c oughs> แต่แต่ก็นางก็ไม่แปลกใจนะนางเป็นทัศนสุดาบันนะ ท่นพระโสดาบันท่านก็ถือว่าการฟังอริยศาสตร์นี่เป็นเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐอย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะว่าทรัพย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นเนะียทรัพย์ที่เป็นโลกิยะนะที่ไม่ก่อให้เกิดโศกะปริเทวทุกขโทมนัตอุปาญาตในภายหลังมีม้ไหมพูดตามที่คนเคยเขาเคยเขามีกันเนี่ยนะถามว่ามีอะไรมนะั่งน้นนึกแล้วปลื้มตลอดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งนั้นเลยนะออมีรถแบบผู้การยังไปเดือดร้อนอยู่กําแพงเพลสเลยเห็นไหม ถ้ามันเสียแล้วมันทยศขึ้นมาแล้วเดือดร้อนหมดนะนนะเพราะว่าอะไรบ้างที่ไม่ก่อให้เกิดทุกโธมนัดนะหายากเต็มทีขอให้มีเถอะมีตายยังทุกข์เพราะตาเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูไม่ค่อยจะชัดแล้วก็พอเดือดร้อนกับเรื่องตายอีกและจํากล่าวไปยายถึงสิ่งภายนอกฉันผู้ที่ฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะตัวนั้นแหละถือว่าเป็นสมาธิถ้าฟังธรรมติดตามเรื่องได้ไม่ต่อเนื่องถามว่าบรรลุธรรมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม ไม่ได้ฉันผู้ที่ฟังธรรมนะอย่างเขาเขาฝึกสมาธิด้วยการฟังธรรมคือจิตไม่เป็นอื่นในระหว่างฟังธรรมเนี่ยติดตามพระธรรมได้ตลอดเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งลูกชายอนาถาบินทิกะอยู่คนหนึ่งใช่ไหมที่ไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบอะไรสักอย่างพ่อก็จ้างให้ไปฟังธรรมบอกว่าถ้าแกฟังนะจําได้สองสองบรรทัดเนี่ยนะเรื่อกหนึ่งคาถานเนี่ยให้เลยพันหนึ่งก็บอกอู้สบายมาก ก็เลยแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเองไงก็ไปนั่งอยู่ใกล้ใกล้ธรรมามาแล้วแหละเพราะลูกคนมีบุญน่ะนะก็ไปนั่งใกล้ใกลพระนั่นแหละแต่ตั้งใจว่าเออเนี่ยนะถ้าฟังได้จาได้สองมันทัดจะนอนและเพราะคืนก่อนนี้ก็มานะเขาจ้างมารับจ้างฟังธรรมเหมือนกันมาถึงก็มาหลับอยู่ตลอดวันนี้สองมัทัดน์น่าเราฟังหน่อยเดียวเราก็จําได้แล้วก็หลับต่อได้แล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็อธิฐานไม่ให้นึกได้พอฟังเข้าเริ่มรู้เรื่องเออดีเหมือนกันไหม ก็เลยจ่าใส่ใจในเอธรรมะเนี kind of ่ยนะใส่เอเขาว่าไงต่อไปเรื่องเป็นยังไงต่อไปติดตามเรื่องไั่นนะพอฟังธรรมจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเขาจิตที่ที่ติดตามเรื่องนั้นแหละเป็นสัมมาสมาธิแหละเนี่ยนะที่ที่เป็นไปกับธรรมะได้อย่างยาวต่อเนื่องเนี่ยนะเพราะว่าสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่นิ่งเป็นหลับเลยนะก็มีกลุ่มสมาธิที่เรียกว่าพอนั่งก็นิ่งตั้งก็เอาแล้ะ หายไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาโอ้วันนี้สมาธิดีกระปีก้กระเป๋ากางนั้นมันมีอะไรก็หลับสนิทที่ดีนี่แหละนั้นสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิที่ถูกต้องนะั้นต้องเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมไปพิจารณาอริยสัจเป็นต้นได้เรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องแต่ถ้าสมาธิท่านนิ่งเป็นหลับแล้วไม่ใช่นะเพื่อนๆมานี่มีเยอะ นิ่งอะไรก็เดี๋ยวแล้วพักเดี๋ยวก็โยกแล้วขอพับขวาบ้างพับซ้ายบ้างบอกโอหาเดินจงกรมฟังทำไปทำอะไรแทนเถอะทีนะ่ะมิถะครอบงามนะจิตหดหูอย่างนั้นไม่ใช่สมัยที่จะเจริญสมาธิสัมโพชฌงไม่ใช่สมัยถ้าเริ่มง่ว ง, ง, วงซึมซึมเบือเบอแล้วนะไม่ใช่สมัยที่จะเจริญสมาธิสัมโพชฌง เป็นสมัยที่จะต้องเจริญวิริยะสามโพชงปีติสัมโพชงธรรมวิจยะสามโพชงนะต้องต้องแยกให้เป็นนะแยกความาแยกว่าตอนนี้จิตหดหูหรือว่าจิตฟุ้งซ่านนะหรือว่าจิตเนี่ยต้องประคับประคองหรือต้องข่มเนี่ยนะต้องแยกให้เป็นถ้าแยกไม่เป็นเนี่ยจะเจริญกรรมฐานได้ไม่ค่อยดี คำว่าสมาทานะหรือสมาทานังที่ตั้งมั่นนี้หมายถึงการวางการตั้งซึ่งจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์เดียวโดยชอบด้วยดีเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกไม่ฟุ้งไปไม่เกลือกล่อนกล่นตั้งอยู่โดยชอบในอารมณ์เดียวด้วยอนุภาพแห่งธรรมใดธรรมที่กล่าวมานี้พึงทราบ ว, ว่าสมาทานังะนะก็คือจิตเจตสิกไม่เกลือกล่อนกล่นกระจัดกระจาย น, นะนะพระเจริญพุทธคุณก็เป็นไปกับพุทธคุณอย่างเดียว มีพระราชาพระองค์หนึ่งนะที่สีลังกาเนี่ยยืนฟังพุทธคุณได้ทั้งคืนเนี่ยแล้วไม่มีจิตส่งเป็นอื่นด้วยนะติดตามเรื่องได้ตลอดเลยพุทธคุณทั้งคืนด้วยนะก็อบอกว่าพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าแสดงพระพุทธคุณมาทั้งหมดเนี่ยพระพุทธคุณมีเท่านี้ใช่หรือกขาบอกโอ้ที่อาตามาแสดงนี่น้อยนะักที่จริงแล้วพุทธคุณนี้มีมากกว่านะพระราชาเนี่ยท่านปีติมากเลยนะเพราะฟังพุทธคุณทั้งคืนแล้วนะ ยืนฟังด้วยนะยืนฟังทั้งคืนก็บอกว่าอันนี้ไม่อัศจารย์หรอกแต่ที่น่าอาัศจรรย์คือไม่คิดเรื่องอื่นเลยฟังแต่พุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยนะต่อเนื่องเนี่ยในะสมัยนะั้นเขาเก่งกันมากเพราะฉะนั้นสมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะมีการกำจัดความฟุ้งซ่านเป็นกิตรส า, านี้หมายถึงกิจ น, น, นะนะการไม่หวั่นไหวเป็นอาการปรากฏและมีความสุขเป็น เหตุใกล้หรือประทับฐานสุขนี่มาจากไหนปสัปสสติปัปาาปปสสติมาจากปีติปีติมาจากปราโมทเออมาจากปีตินะปัสสติมาจากปีติปีติมาจากปราโมทปราโมทมาจากอาวิปปิสารอาวิปปิสารมาจากกุศลศีลเนี่ยนะศีลที่เป็นกุศลเพราะนั้นถ้าศีลดีนี่แหละจึงจะเป็นเหตุใกล้แห่งสมาธิในขณะเดียวกันสมาธิก็เป็นเหตุใกล้แห่ง ปัญญาเนี่ยนะสมาฮิโตยถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงเห็นจริงว่าไงจักขูไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เทีย่ยงยอมน้อมไปเห็นกระดูกก็อย่าไปคิดถึงตกใจซะก่อนนะพิจารณาเห็นอธิกสัญญาแล้วตกใจเลยเสียดายเยอะนะ ส่วนธรรมชาติใดอันพระโยคีบุคคลอบรมอยู่เจริญอยู่ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าภาวนาภาวนาก็คือการทำให้บ่อยทำให้มากให้ต่อเนื่องใช่ไหมภาวนาคือสมาธิชื่อว่าสมาธิภาวนาอีกอย่างหนึ่งการอบรมการเจริญซึ่งสมาธิชื่อว่าสมาธิภาวนาก็คำว่าสมาธิภาวนานะสมาธิเนี่ยเป็นตัวบ่งว่าไม่ใช่ภาวนาอย่างอื่นแต่เป็นสมาธิภาวนา ญาณอันสําเร็จด้วยสมาธิภาวนาด้วยสา ม, มารถแห่งอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณคือปัญญาที่เกิดพร้อมกับอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิอันนี้รวมถึงฌานาจิตนะปัญญาที่เกิดร่วมกับฌานาจิตก็ชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณท่า <c oughs> นสมาธินี้ถ้าผู้ที่พิจารณาหรือเจริญได้มากเนี่ยนะคนนั้นจะ พิจารณาธรรมะได้ลึกซึ้งกว่าพวกฟุ้งร้านคนพุ่งสร้างนี้เจริญสมาธิยากทีกนี้ต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าธรรมะติยามเลยนะเชื่อว่าปัจจัยเนี่ยนะมาจากคําว่าปัจจยะปริคเหปัญญาเนี่ยนะศัพท์ว่าปั จ, จัยเขามีวิจารณ์ถาหรือวิเคราะห์ศัพท์ว่าผลย่อมอาศัยธรรมะนั้นเกิดฉะนั้นธรรมะนั้นชื่อว่าปัจจัยผลเนี่ยนะหมายถึงปัจยุปันเนี่ย ที่อาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นไอ้สิ่งนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยอย่างขันห้าที่ดำรงอยู่เนี่ยนะอาศัยตัวใดเกิดอะ่ะตัวที่ที่เป็นเหตุให้ขันห้าดำรงอยู่ตัวนั้นเรียกว่าปัจจัยนั้นคําว่าปฏิจจะที่เรียกว่าอาศัยเนี่ยอาศัยมาจากบาลีว่าปฏิจจะได้แก่ไม่เว้นจากธรรมะที่เป็นปัจจัยนั้นอธิบายว่าผลเนี่ยจะไม่บอกคืนปัจจัยบอกคืนไม่ได้ใช่ไหม ถ้าบอกคืนตัวเองก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วฉันเรียกว่าผลเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธเขาได้เลยไม่สามารถปฏิเสธตัวปัจจัยได้อย่างจากักรคูวิญญาณปฏิเสธสีปฏิเสธตาได้ไหมปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะเพราะผลคือจกักรคูวิญญาณอาศัยตากับสีคําว่าเอติแปลว่า ย, ย่อมเกิดขึ้นย่อมเป็นไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคําว่าปัจจัยนะมีะความว่าอุปการะ ปัจจัยนี้แปลว่าอุปการะก็ได้หรือเพราะอธรรมว่าเป็นแดนเกิดปัญญาในการกําหนดคือกําหนดซึ่งปัจจัยทั้งหลายเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมีมากจึงชื่อว่าปัจจัยปริคเหตุปัญญาแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องกําหนดปัจจัยทั้งหลายคือตัวปัจจัยนี้ไม่ใช่อันเดียวใช่ไหมถ้าอย่างใครเรียนปัจจัยยี่สิบสี่มาก็ก็ปัจจัยยี่สิบสี่มีเหตุปัจจัยเป็นต้นเหตุก็ยังแบ่งเป็นเหตุตัปัจจัยมี หกอารมณนาปัจจัยมีเท่าไหร่ย่อๆก็อารมณ์หกอีกนั่นแหละอารมณ์รูปเสียงกลิน่นรสประสาทธรรมอารมณ์นะว่าย่อๆนะเห็นไหมถ้าทธิปฏิปัจจัยก็ยังแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกใช่ไหมสหัจจารถิปฏิอารมณาทิปฏินั้นปัญญาที่สามารถกําหนดปัจจัยได้กว้างขวางนี่ก็ปัจจัยนี่มีมาก